กรกดาคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันพระแรกในพรรษาปี60นะพระหลวงโบสถทั้งหมด48รูปวันนี้เวลาบ่ายโมงเราสวดปฏิมมกพึ่งจบจบกรุงศักครูนี้อันนี้เป็นการทบทวนศีลและวินัยทุก15วันวันนี้ก็มีการทบทวน สินและวินัยของพวกเราโดวยว่าสวดพระปฏิโมกศ์สินและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้นอย่างที่หลวงพ่อย้ำกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังท่านเน้นเรื่องสินและวินัยกดรละเบียบแต่เมื่อกดรละเบียบดีแล้วอย่างอื่นก็ดีไปด้วยประเทศชาติไหนก็ตามถ้ากฎหมายละถ้ากฎหมายละลวม คนไม่อยู่ในกฎหมายการอยู่ด้วยกันอยู่แบบปาเทือนก็หวาดผวากันทั่วทุกหัวละแห่งถ้ากฎหมายเข้มงวดกวดขันใครๆก็ไม่ชอบเรื่องกฎหมาย เ, เป็นการบังคับให้ทุกคนอยู่ในกฎระเบียบแต่เมื่อทุกคนอยู่ในกฎระเบียบต่างคนต่างร ะ, ว, งระวังชุมชนในกลุ่มนั้นก็ไม่มีคดีไม่มีเรื่องราว เกิดขึ้นเพราะต่างคนก็ต่างระวยงระวังถ้าหากว่าไม่ร ะ, ระวังผิดกฎหมายาก็ใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกฎหมายคือกฎหมายนี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันถ้ามีกฎระเบียบมีศีลและวินัยดีการอยู่ด้วยกันก็ร่มเย็นผาสุขเพราะนั้นให้พวกเราให้ถือศีลและวินัยนี้ เป็นจิตเจนเป็นใจจริ ง, จ, รงจึงจะอยู่ด้วยกันพาสุขเราถือว่าเราเป็นศากกบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านแนะนาสดบอกกล่าวอย่างไรเราก็ปฏิบัติให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเราทำตนไม่ดีก็เหมือนกับลูกลูกเกเร เป็นลูกของพ่อแม่ก็จริงอยู่แต่ว่าไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางจะจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจทำตามมัดาใจพ่อแม่เป็นยังไงล่ะจะไว้เนื้อเชื่อใจได้ไหมนี้ก็เหมือนกันนะถ้าว่าพวกเราเป็นลูกของพระพทุทธเจ้าเราก็ต้องทำตนตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอว่าการเป็นอยู่ของเราขณะนี้เวลานี้ ก ร, กระทั่งความคิดด้วยเราคิดเป็นยังไงในขณะนี้แล้็ดูการกระทำของเราด้วยการกระทำที่ผ่านๆมาเราก็ทำสิ่งไหนไปบ้างที่มันผิดวินยัยผิดหลักพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะแล้วเราพูดอะไรไปบ้างที่มันผิดหลักพระธรรมวินยัยสิ่งเหล่านี้ให้ตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอถ้าว่า เราตัวของเราเองไม่ตรวจตราตจะให้คนอื่นตรวจตราให้เรานะ่มันยากเป็นไปไม่ได้ถ้าคนอื่นตรวจตราเราเดี๋ยวกขโมโหโกรธให้เขาหาวันล่วงลับอธิปไตยไม่เคารพสิทธิ์ไม่เคารพในการเป็นอยู่ส่วนตัวของเขานะมันก็ยากเพราะนั้นท้าวตัวของเราตรวจตราดูตนเองผิดหรือถูก ควรหรือไม่ควรอย่างไรอันนี้แหละเหมาะสมถูกต้องที่สุดแต่มันบางครั้งมันก็ยากน ะ, ะมันฝืนกิเลสไม่ได้กิเลสในใจของเราเนะอามันออกนอกรูกนอกทางสิ่งไหนที่มันต่ํามันชอบไหลไปทางนั้นน้ํานะน้ํามันชอบไหลไปทางต่ําอันนี้ก็เหมือนกันนะคนเรากิเลสมันชอบไหลไปทางต่ําแต่บางครั้งเราก็ต้องฝืนมันฝืนเหมือนกับคัดน้ําขึ้น หาหลักพระธรรมวินยนะัยเน่ยถ้าทำเราผิดพระธรรมวินัยนะ่ยมันง่ายนะเพราะเหตุไหรพอมันเป็นนิสัยมาตั้งแต่ดึกดาบรรเก่าแก่อยู่แล้วนะมันก็เลยไหลไปง่ายแต่มันไหลไปมันได้อะไรเสียหายอันดับแรกกืเสียหายตัวของเราเสียหายหมู่พวกเพื่อนเสียหายวงการเสียหายผู้ศรัทธาญาติโยมผู้ที่ได้รู้ได้เห็น เสียอกเสียใจเพราะไรเพราะว่าการกระทำของเราเนี่ยไม่ไปตามหลักพระธรรมวินัยไม่ไปตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พระเนรทุกหลานทุกอง น, นะให้ซํารวงให้สํารวมตรวจตราดูตนเองอยู่เสมออันนี้ก็คือเรื่องของศีล น, นะเรื่องสมาธิก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวที่เราจะดาเนินการดำเนินการอย่างไร หัวใจของการประพฤติปฏิบัติหัวใจของการมาบวชในพระพุทธศาสนาหัวใจของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางศาสน า, าไว้หัวใจการวางศาสนาหรือหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือว่าหัวใจแนวทางที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพระสงค์ท่านเดินยังไงท่านเดินอันลับแรกก็ท่านบอกเป็นกอไก่ก็คือนะให้มีสติ กับตนเองนะถ้าคนมีสติอยู่กับตนเองแล้วการจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนก็รู้สติมันทันในเมื่อมีสติดีสมาธิก็ดีในเมื่อมีสมาธิดี เ, เมื่อจิตใจที่เป็นสมาธิดีแล้วนำมาพิจารณาการกรองเรื่องราวต่างๆก็เป็นเหตุเป็นผลได้ทั้งนั้นอันดับแรกมาจากสติสะกด ถ้าว่าเผลอสติสติไม่ดีสติเลื่อนลางสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสติของเร า, เาไม่ได้ฝึกเอาไว้ไม่ได้ตรวจตาไม่ได้เข้มงวดไม่ได้เข้มงวดกวดขันกับตนเองเอจิตใจก็อนเลาะเทอะเลอะเลอะเลื่อนเลื่อนทําอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอันนี้แปลว่าสติไม่ดีเม <me et> ื่อสติไม่ดีแล้วสมาธิ <me et> <me et> จะดีได้อย่างไรในเมื่อมีไม่มีสมาธิ <me et> จะเกิดญาณทัศนะได้อย่างไรฌานเกิดญาณทัศนะเกิดมาจากสมาธิถ้าจิตใจไม่มีสมาธิฌานเกิดไม่ได้ฮเพราะฉะนั้นฌานเกิดมาได้ผลภายด้วยจากสมาธิเพราะฉนั้นมันต้องเป็น ส, สติซะก่อนเป็นอันดับแรกนะในเมื่อสติของเราเราจะฝึกยังไงฝึกสตินะอพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันก็บอกว่าขาขวาพดทธขาซ้ายโถเอาบังคับ ให้สติอยู่กับขาเดินขาก้าวเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถในขณะที่เดินในขณะที่นั่งแต่ขณะที่เดินกาหนดล้มได้ไหมได้แต่มันสับสนดูที่ลงแล้วก็ไม่ดูที่ปลายเท้าเพื่อเมันจะสะดุดอะไรก็ได้เพราะนั้นเวลาเดินเราก็ต้องดูที่เท้าของเราจะเหยียบลงยังไงไปที่ไหนสูงต่ำยังไง ใเนี้เราก็มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินหาขาขว า, ข า, ข า, ขาพุทธขาซ้ายโถนี่ะการเดินมีสติสัมปชัญญะในการก้าวและการนั่งทุกอย่าง อ, าอริยบททุกอย่างมันเน่งหมดมีตลมหายใจเข้าออกที่มันยังเคลื่อนไหวอยู่ก็กำหนดที่ลมหายใจเข้าหายใจเข้าบริกรรม พดโทตามแนวแถวหลงปูมันก็ได้เพราะเห็ไหุไดเพราะเราศึกษาในสายแนวแถวสายหลงปูมัน่นหรือว่าเราจะบริกรรมเฉยๆไม่บริกรรมก็ได้เพียงแต่รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ได้แต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านว่าที่ปฏิบัติมาแล้วมันจะเลือนรางมันจะไม่ได้ผลใหม่ๆก็ดีเพราะมันไม่บริกรรมแต่บริแต่ภาวนาไปนานๆเข้าไปเนะี่ยมันจะเผลอเลยเลือนรางได้ง่าย พรนั่นท่านจึงสำทับกับพุโทโธเขาด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะอันนี้คือสติของเราเข้มงวดขึ้นมาแล่วเธอเนี่ยสติขึ้นมาเพื่อให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันเผลอไงใจจากนั้นเมื่อเราบังคับหรือว่าเราไม่ให้มันเผลอไผลไปที่อื่นมันก็รวมได้เธอเนี่ย เ, เมื่อจิตใจรวมเน่งสงบเพราะมันไม่ให้มันออกไปมันก็เน่ง พอเนีจิตใจรวมเน่งจิตใจสงบผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่ทแท้จริงเห็นอันินจังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนอันินจังใดในโลกล้วนอันินจังอะไรคือไม่อนันเนจังดินฟ้าอากาศสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์มนา สรรพสัตว์ทางหลายสรรพสิส่งทั้งหลายสิ่งกอ่อสร้างทางหลายดินฟ้าอากาศทางหลายมันล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทั้งหมดใดๆในโลกในโลกล้วนในโลกไปนี้ยล้วนเป็นอนิจจังร่างกายสังขารของเราก็เป็นอนิจจังของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของใครก็ตามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทั้งหมด เห็นปีหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเห็นปีหนึ่งเป็นอย่างหน่งต่อไปก็เห็นคนตายถ้าเราไปตายก่อนเขาเขาก็ตายก่อนเราถ้าไม่ตายก็เห็นความแก่ขึ้นมานี่แหละมันจะเที่ยงตรงได้ที่ไหนย้อนใดใดๆในโลกล้วนอนิจจ์นี่แหละเป็นอนิจจงคือของไม่เที่ยงเอที่เที่ยงที่แท้ต์เยเที่ยงแท้แน่นอนก็คือความตายเกิดมาแท้ๆกับเป็นอนิจจ์มดในโลกเนี่ยเป็นเที่ยงก็คืออนิจจง อนนจังคือว่าจุดที่มันเที่ยงคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอเนจังทั้งหมดมันเที่ยงเลยตอนนี้ตัวอเนจังพอมันหาความกิริย์ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอเนจังทั้งหมดเตัวนี้เที่ยงเมื่อเกิดความตายนะทุกสิ่งทุกอย่างะอแต่ความตายในเที่ยงพราเกิดเพราะจะทํำไมจังหวัดเที่ยงพราะเกิดมาแล้วต้องตายอย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่นตายแะ อันนี้บอกว่าเที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะห ล, ลีกลีหนีพ้นไปได้อันนี้เป็นของเที่ยงอันนี้ก็คืออั น, นจังทุกขังสิ่งไหนไม่เที่ยงเป็นไตร ล, ลักษณ์อย่างนั้นสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตามิใช่ตัวตนของเราเนี่แหละให้พิจารณาเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนะจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วให้พิจารณาจุดนี้ให้มากเลยนะ่นี่ ให้ปล่อยวางทางด้านจิตใจของเราเห็นอนิจจังทุกขังเป็นสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะให้เห็นอนัตตาอั น, นี้คือภาคปฏิบัติจิตภาวนาแต่ถึงยังไงพวกเราที่เข้ามาฝึกใหม่เพียงจิตใจให้สงบเพียงแค่นะก็เป็นบุญมากมายมหาศาลแล้วเพราะเหตุใดพาะว่าการที่จะทาจิตใจให้สงบได้นะเลิศประเสริฐ พอเราจะได้รู้คุณค่ารู้ประโยชน์ของพระพุทธศาสนาแต่หาว่าพวกเราเข้ามาแล้วมีแต่รักษาศีลรักษากิจวัตรควรวัดธรรมดาเนี่ยเหมือนกับเราเข้ามาเนี่นั่นแหละอยู่ในเข้ามาอยู่ในวัดของเรายัางไม่ได้เข้าไปอยู่ในร่มต้นไม้ เ, เพียงแต่เข้ามาอยู่ในวัดของเราเข้ามาอยู่ในกฎระเบียบนี้เออจะมีความสุขในระดับหนึ่ง ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะมาอยู่ในวงการพระพุทธศาสนาแต่เมื่อเราได้นั่งสมาธิจิตใจข อ, ของเราได้รับความสงบนั่นแหละเราได้ริมรส ถ, ถ้าเป็นต้นมะม่วงก็ได้ริมรสต้นมะม่วงตนง้นเงาะต้นทุเรียนได้ยินได้ทานต้นทุเรียนผลทุเรียนผลมะม่วงรสเป็นยังไงนี่แหละเรื่องสมาธินะ ถ้าว่าพวกเราทำจิตใจให้เป็นหนึ่ง จ, จิตใจเป็นสมาธิดีแล้ว จ, จิตใจรวมสงบแล้วนะเราก็ได้รับผลคือสมาธิจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเราจะเลยรู้รสว่าเออพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าว น, ออนาี่เออเป็นมีรสชาติสมกับธรรมคำสอนของพุทธะ ท, ที่ท่านได้ตรัสไวเอาไวเอาไว้ว่านี่ นัตถิสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นเย่งกว่าความสงบไม่มีนี่เราได้เราบวชมาเพียงสามเรือนนะได้รับความสงบเพียงแค่นี้นะเราก็ประทับใจจำไม่ลืมเพราะอะไรเพราะใจของเราได้รับความสงบเยือกเย็นมันเย็นลึกจริงๆนะมันมีความสุขจริงในที่ทำจิตใจให้สงบนะเพราะนั้นในพวกเราทุกทุกท่านนะ เขามาบวชทั้งทีให้ฝ่ายให้ศึกษาแล้วก็ให้ปฏิบัติจริงจังและจริงใจนะให้ได้รับความสงบอย่างน้อยสักครั้งสองสามครั้งก็ยังดีวิธีการสงบก็ยังไรอันดับแรกก็คือมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะไม่ให้ใจของเราคิดปุ่งฟุ้งไปทางอื่นมันปุ่งไปแล้วมันได้อะไรมันคิดดูซิมันได้อะไรอยู่เป็นฆราวาสเราปุงฟุ้งมาจนพอแรงแล้วนะ เข้ามาอยู่ในวัดจะปรุงฝ้งไปหาอะไรปรุงไปแล้วมันได้อะไรเอาสิมาศึกษามาศึกษาวิธีการทําจิตให้สงบจิตจิตทำจิตให้เป็นหนึ่งตามแนวแถวของพุทธะตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวว่าให้จิตใจเป็นสมาธินะแต่ทำไมเราจะมาคิดปรุงฝ้งปรุงฝ้งมันได้อะไรบวกลบคูณหารดูสิที่ผ่านผ่านมานะ่ะมีแต่เสียหายทั้งนั้น เอาเถอะเข้าไปเจ้าจะบังคับให้จิตใจอยู่ความสงบนี่แหละตั้งจิตอธิษฐานคือตั้งใจมั่นเลยเในวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่คิดปุงพุ่งไปทางอื่นให้อยู่กับพุทโธเท่านั้นให้มีสติสัมปะชัญญาในการก้าวเดินเท่านั้นให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นในวันนี้ให้มากที่สุดถึงจะไม่ตลอดไปก็ให้มากที่สุดเราจะไม่คิดเรื่องอะไรนะ เราอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทดลองดูทดลองดูนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมันต้องบังคับตนเองนะถ้าว่าไม่บังคับตนเองปล่อยตามอําเภอใจตามมัฏฏาใจเรือนลอยเลือนลางไปติละวันละเดิอนละเดือนไปเป็นวันๆไปแล้วก็จบไปนะผลในสุดเข้ามาไม่ได้อะไรเข้ามาบวชก็ไม่ได้อะไ ร, เ, าาไไะไรเพราะตัวเองไม่ได้ศึกษาที่จริงจังและจริงใจ ที่ท่นได้มากก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดํำรงสงศ์ศาสนาเนี่ยท่านก็พูดให้ฟังนะจิตใจที่เป็นสมาธินี่จิตใจที่มีความสงบผูมเย็นเป็นสุขหน้าถ้าจิตใจฟุง้งปุ่ ง, งฟุ้งทะซ่านเน่ยทุกเน่าแต่เราจิตใจสงบเรายังไม่เคยเจอนะแต่จิตใจปุ่งฟุงนะ้งเน่ยถ้ามันฟุ้งมากๆนะถ้ามีเรื่องอธิกรณ์เมื่อเรื่องเราเกิดขึ้นมีการโจดขานกันเกิดขึ้นนะ ผลที่สุดเราคิดทั้งวีทั้งวันหัวจะแตกนะนั่นแหละหรือว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะเราเห็นไหมทุกไหมเนยเรารู้ว่ามันทุกถ้าสงจิตออกนอกถ้าจิตปุ่งฟุ้งออกข้างนอกนะมันจะเป็นบ้าเนะี่ยสมองหัวจะแตกเอานะตาแดงขึ้นมานอนไม่หลับ น, ะนั่นแหละเราจะเห็นได้แล้วโอทุกไนะถึงขนาดเรารึงจิตจึงจึงจะรู้ได้ว่ามันทุกนะแต่พอจิตใจนน่งสงบ ใจิตใจเป็นหนึ่งใจิตใจไม่ปุงไม่พุง้งไม่ซ่านนี่ที่ว่านัตถิสันติปรังสุ ข, ขังเนี่ยความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเรายังไม่เคยพบเคยเจอเอาเถอะมาคราวนี้เราจะสะแหวงเราจะสะแสวงดูจุดนี้นะจุดให้ใจิตใจสงบนะ่จะทำยังไงท่านก็บอกให้ภาวนาให้เดินจงกรมให้มีสติสัมปะชัญญะจะเป็นกรรมฐานอะไรก็ได้จุกนอพองน้อยก็ไสัมมาอราังกอะไรก็ได้ แต่ให้มีสติให้เข้มแข็งแต่มาเรามาศึกษาในจุดนี้เราก็คงจะศึกษาในจุดแนวของหลวงปู่มั่ น, นก่อน บ, บังคับให้อยู่ในแนวหลวงปู่มั่นก่อนหลวงปู่มั่นให้ภาวนาพุทโธเราเอาพุทโธถ้าวัานพุทโธโอใจเราบวชในวัดป่านาคําน้อยข่าวนั้นเราภาวนาพุทโธนะมันเป็นยังไงเอาทดลองเปลี่ยนกรรมฐ า, านดูซิมันก็ไม่เสียหายไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนเพียงสามเรือนนะ เพราะฉะนั้นในจุดนี้เราต้องพยายามเนื่องว่าจิตใจเข้าสู่ความสงบได้นะภาวนาพุทธโธจิตใจเข้าสงบได้เอออันนี้เป็นแนวทางของเราเนะนี่ยนี่แหละองค์หลวงตามหาบัวนะ่ยท่านภาวนานะสมัยท่านเรียนหนังสือท่านก็ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกําหนดลมนะออบางทีก็หลงไปเผลอไปบ้างเสื่อมไปบ้างนะออแต่มาถึงหลวงปูมงป่มั่นหลวงปู่มั่นบอว่ามหา กำหนดภาวนาให้กำหนดพุทโธด้วยนะสามทับกับพุโทโธด้วยนะเพราะพุทโธจะเป็นเครื่องยึดเหนียวส่วนหนึ่งเพราะนั้นอย่าอย่าไปกำหนดลมลมเฉยๆนะให้เอาพุโทโธเขาสามทับเขาด้วยนะอย่าให้มันเผลอนะเอาพุโทโธนั่นนะเฮ้อย่าให้มันไปทางอื่นนให้ยึดยึดพุดดโทโธเป็นหลักนะล่งตามหาบัวท่านก็เลยยึดพุทโธเป็นหลักเออใหม่ๆวันแรกสองสามวันโอ้โหเอามันจะเป็น ตับแตกตายพาะมันบังคับใจใจให้มันอยู่อยู่เป็นหนึ่งนะมันมันจะจะออกใจมันจะฟุ้งจากจะออกบังคับการบังคับจิตมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกับเราขึ้นไปขี่ช้างให้ช้างไปตามทางนะช้างคือฝึกฝึกหัดใหมนะ่หรือฝึกวัวควายให้ไถนานลักษณะนี้นนะมันจะโดดมันจะขวิดชนมันกนงกรนงโรงเสียงไปต้องใช้กำลัง นี้ก็เหมือนกา ร, การฝึกจิตคั้งของตนเองนะต้องบังคับนะมันจะจะออกนอกลูก่ออกทางที่มันเคยออกมาแล้วนะมันเคยออกเคยเที่ยวมาแล้วนะ่ะไม่ให้มันออกไปให้บังคับให้มันอยู่กับพุทโธนะนี่แหละตัวนี้ท่านบอกว่างานการงานที่ไหนที่เคยผ่านมานะตัวของท่านเองนะการงา น, งานที่เคยผ่านมาแต่ว่ามันหนักหนาสาหัสพอมาบังคับจิตใจช่วงนี้เห็นได้ชัดเลย การบังคับจิตใจตัวนี้เป็นเรื่องที่หนักนะสาหัสมากแต่มาอยู่ในตัวของเรานะเรารู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันหนักจริง น, ะนี่แหละอยากจะให้พวกเราฝึกดูนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านก็พูดให้ฟังอย่างนั้นเพาะฉะนั้นขอให้พวกเราฝึกดูฝึกใจของตนเองนะให้อยู่กับพุทโธอย่าให้มันเพลอไผลไ ป, ไปทางอื่นในเมื่อจิตใจอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดแล้วนะั้น จิตใจจะแนงจิตใจจะสงบเมื่อจิตใจสงบนั่นนะความสุขไม่ต้องหาที่ไหนอยู่ในตัวของเราเองพอจิตใจสงบนะนี่แหละเราบวชมาคราวนี้ครั้งนี้บวชมาสามสี่เดือนได้เพียงแค่นี้หลวงพ่อว่าได้กําไรนะได้กําไรถ้าเข้ามาบวชแล้วมีตะปุง่งฟุ้งซ่านออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางเรื่องไม่เป็นเรื่องขนเของมาคิด มาปรุงมาฟุง้งมาซ่านเอามือกายหน้าผากขีจ้จนตัวเองจะเป็นบ้านะไปว่าขาดทุนนะบวชเข้ามาแล้วทั้งที่จะม า, าฝึกหัดดัดตัวเองให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในหลักพระธรรมให้อยู่ในความสงบกลับมาคิดมาปุงมาฟุง้งมาซ่านเ พ, เ, พเพื่อจะเป็นบ้าเอานะเนาะมีแต่ยูนิฟอร์มผ้าเหลืองเท่านั้นเองแต่ใจนุ่นอยู่ทางโลกนะ อ, อ, อยู่ในทางโลกในทางสงสารนุ่นนะ มันไม่ถูกนะถ้าเป็นลักษณะอย่า ง, งานั้นขอให้พวกเราตรวจตราดูตนเองนะพาลูกหลานทั้งหลายนะอาตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมกนะ